ف าหุล่าอิกาหูมุดดารจัตุลหมุล ا าฟาหุล่าอัมาอันอันม ลาไม่มีล่ะอ <c oughs> <wh> <naz i> <moon> <anger> ุล่าอิกาลาหูมุดไม่มีลา่มีหมอลาหมุดัดฟอ่าอิกาลาหูมุดดาราะจัดทูลอุล่าฟาอุล ยาภาษาย h ภาษาอันยากอันบิดแค่ยาภาษ มันว่าจะน بسم الله الرحمن الرحيم إ ฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอ ن ฺอัลลอฮฺอ و ลลอฮฺอัลลอ ن ฺอ و ลล ن ฮ س อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัล ل อฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอั و ลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลล ل ฮฺอัลลอฮฺอ ه ลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺ اللهم ب m m أصبحنا وبكأمسينا و ب ك ن ح ي ا و ب ك ن م و ت و َ و ي ل ا ئ ك ن ش و ر أعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض و َ ا في السماء وهو سميع عليم รดีต uh <t ell> ุบ ل ลลาฮิรับบะวั ن อิสลามดี ح ะวั ل มุ و ل มมัดอิรสู ا าอัล ك อ ن ุมัยนีอ و อูบุค์มินั ا เซลว์วสูอิลคิ ل ร ا รับบ์อาอูบ ب ค์มินอตาบิ ي ك ินนาริว ل ตาบ ب มฟินอพี่น้องที่ร่วมนมาศุบที่รักทั้งหลายครับบักฮัมดุล i l l a <t ell> ขอบคุณนบีสุบฮานะฮูวาตาล่ที่ a ล l a h ให้เรานอนหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ให้เราตื่นขึ้นมาด้วยบทแรกที่ทุกคนต้องอ่านนอกจากคนที่ไม่ใส่ใจได้ตื่นก็พอแล้วคนที่รักสุนนะนบีนี่ต้องนำเอาด้วยที่ท่านนาบี อ่านนะครับตอนลืมตาตอนตื่นขึ้นมาบนที่นอนก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดิอัคยานาบาดามะอามัตานาไวไลฮิมูชุรตรงนี้มีคำแปลนะขอบคุณอัลลอ์หรือขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานุตะและบรนดาการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอฮ์อัลลาดิอัคยานาอัลล์ผู้ทำให้เราเนี่ยตื่นขึ้นมา หลังจากที่เอาล้อทาให้เราหลับไปนะครับอามาตนาเนี่ยแปลว่าทำให้เราตายเป็นการสอนเราให้รู้ว่าตายกับนอนหลับเนี่ยสภาพเหมือนกันนะครับแล้วก็วายิไลฮินูชุดแล้วก็ให้เราฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในวันทิยามะเตือนเราให้นึกถึงโลกอาคีโร อัลลอฮุมะอินนีอัลฮซูบิกามีนาลกสซัลขอความฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอ์ให้พ้นจากความขี้เกียจ ต, ตื่น น, นมาซบโบเนี่ยหักใจไม่ผูกพันกับอัลลอ์เนี่ยไม่อยากตื่นอยากจะนอนแต่คนที่ผูกพันกับอัลลอฮ์เยอะๆนี่เขาตื่นตั้งแต่ตีสีแล้วนะครับอื่นมา น, นมาตะฮัดยุนมาณ อะไร อ, อื่นอีกนะครับนำมาทวิตเตอร์อัลลอฮุมะอินนีอัลฮุซูบิคาร์มินัลกัสสลฉันขอความคุ้มครองจากเอาล้อให้พ้นจากความขีเกียดวาซูอิลกิบารีสู้แปลว่าไม่ดีหรือเลวกิบาร์แปลว่าแก่ชราขอความคุ้มครองจากเอาล้อให้พ้นจากความชาราที่เลอะเลือ น, นจำอะไรไม่ได้ขอความคุ้มครองจากเราต้องขอทุกวัน อารูปยิกมินาริจหันน้ำขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากการลงโทษที่ไฟนรกและขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากการลงโทษที่สุสานนี่เป็นดวงที่ท่านอบีสอนให้อ่านไม่ใช่แค่นี้เรากยมีอีกสามสิบกว่าดอาด้วยกันท่านก็ขอดวงต่ออัลลอฮ์ให้พวกเรานี่นะชีวิตที่เหลืออยู่อีกไม่กี่ปีก็จะตายแล้ว ก็ให้เอาดวอาทิตย์ท่านนาบีสอนเนี่ยนะให้อ่านตอนเช้าเช้าเขาเรียกว่าอัสการฟิสซาบะดวงอาทต์ตอนเช้าให้อ่านก่อนตะวันขึ้นแต่ถ้าหากว่าลืมมานึกได้ตอนตะวันขึ้นแล้วก็ไม่มีปัญหาก็ให้อ่านก่อนแล้วกันจะมีดวอาทต์ตอนเย็นอีกนะนะครับอัสการฟิลมาซาดวอาทต์ตอนเย็นกับดวอาทต์ตอนเช้าขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานาหวูวะตาลาที่เราทบทวนคุรานนะครับ ทบทวนกุรอานเนี่ยมาถึงสูรอบก่อฮาแล้วอายาที่เจ็ดสิบห้าวันนี้เมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ย <c oughs> เราอ่านไปพบอายาที่เจ็ดสิบสี่ขอทวนนิดนึงนะอินนะฮูไมยะติรอบบาฮูมุจรีมาแท้จริงใครก็ตามที่มาอย่างอัลลอ อธิบายยังไงมายัางอัลลอ์เนี่ยมาถึงตายใครก็ตามนะครับทาเสียชีวิตในสภาพที่ตัวเองเป็นมุจริมมุจริมหมายถึงคนชั่วคนเลวคนไม่เอาศาสนาไม่ใส่ใจศาสนาฉะนั้นใครที่กลับไปหาอัลลอ์หาพระผู้อภิบาลของเขาในสภาพของคนที่เป็นคนทำบาปทำชั่วไม่เอาศาสนาฟนาอินนลหู จะหันนำสําหรับเขาเราสําหรับเขามาถึงเอกพจนั่นเนี่ยฝอินน่าละหูสำหรับคนคนนั้นเนี่ยจะหันนำได้นรกเป็นคำไปการตอบแทนเห็นไหมตัวใครตัวมันเนี่ยรับผิดชอบฝอินน่าละหูสำหรับคนคนนั้นเป็นเอกพจน์เป็นมุฟรสําหรับเขาคนนั้นได้รับได้รับนรก และยาโมตุฟีฮาเวลายหยอยู่ในนรกเนี่ยไม่ตายด้วยอยู่ไปตลอดอเห็นไหมหนักขนาดไหนครับฉะนั้นฟาโร่เนี่ยนะอัลลอฮ์ให้อำนาจเฉพาะบนดุญยานีเท่านั้นเองฟาโร่เนี่ยคือว่าเกง่งเกงเกงแล้วว่าเลวเลวเล ว, เลวเนี่ยนะมันก็เลวเฉพาะบนดุญยานีเท่านั้นอัลลอฮ์ให้อำนาจแค่ดุญยา อย่างดีมันก็ทำให้คนตายถามว่าตายแล้วเนี่ยฟาโรห์มีอำนาจจัดการคนตายได้ไหมไม่ได้อำนาจอัลลอฮ์ให้นิดเดียวบนดุลยาแต่เวาลาได้อำนาจแล้วเนี่ยลืมอัลลอฮ์นะครับเอามาดูอายะที่เท่าไหร่นะอายะที่เจ็ดสิบห้านะครับว่ามยากทีฮิมุุมินา ก็ได้ทำสิ่งที่ดีฝุ่นละอีกแล้วมุดระดับตูเลาอัลลอฮ์อันอุกอานี่มันสบายใจจริงๆถ้ารู้ความหมายนะว่ไม ah, ่ยากทีฮิมุมินันแปลว่าผู้ใดที่มาอย่างอัลลอฮ์ มายัางประพู้อภิบาลของเขาคืออย่ง ا. อัลลอฮ์นั่นแหละวะมัยยะติฮิมุมินันอายะแรกนี่ยวะมัยยะติฮิยะติรอบะฮูมุจญริมันนั่นไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่เป็นคนไม่มีศาสนาคนเลวอยายะนี้วะมายยะติฮิมุมินาผู้ใดที่กลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่มีหัวใจที่มุอมินมุมินแปลว่าอะไรผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ อัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังเลยนะถ้าตายในสภาพที่หัวใจเป็นมุมินเป็นมุมินอย่างเดียวไม่พอวกดามีลาซอลิฮัส ات, เขาได้ทำการงานดีๆเอาไว้ตอนตายเนี่ยอัลลอฮอักบัตเป็นมุมินยังไม่พอทำอามันที่ซอและเอาไว้เยอะ Allah ละจะเป็นย mm ังไงมาต้องอ่านเลยฟาอุลัยกะลาหุมดาราจาทูลอุลัดังนั้นเหล่านี้ลาหุมสำหรับพวกเขาทั้งหลายคือดาราจาทูลอุลัดาราจ่าแปลว่าสถานภาพสถานะอัลลอฮ์แปลว่าสูงเขาอยู่ในสวนสวรรค์ อันสูงสง่งอันทำดุนิเล่พอวิญญาณออกจากร่างปั๊บเนี่ยเห็นหมดเลยเห็นนะเห็นมลัยกาก่อนตอนนอนเจ็บอยู่เนี่ยตอนอยู่บนดุนยาเนี่ยมองอะไรไม่เห็นหรอกที่จะเห็นก็โนดที่ดินรอยไร่ปลื้มใจนมาดไม่เอาผมมองไม่เห็นไงมีฉันเห็นโฉนดเห็นรถเห็นบ้าน เห็นประกาศนิยบัตปิยาโทปิยาตรีบิยาเอกที่แขวนอยู่ที่ฝาฝาผนังแล้วก็เห็นอะไรบ้างตำแหน่งโอ้โหชื่อเสียงเกียรติยศที่ได้มาบนดุนยาเนี่ยนี่พอตายปั๊บเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่เห็นเห็นเห็นนี่ไม่เห็นแล้วเห็นอะไรแทนรู้ไหมเห็นมาอิกะอ่ามารนกาเนี่ยเห็นอัลลอฮ์อ้าวเห็นนรกเห็นสวรรค์ อัลลอฮ์เห็นหมดเลยไอภาพที่มองไม่เห็นไม่เห็นเนี่ยพอตายแล้วเห็นหมดเลยอัลลอฮ์นี่มันไรกามีเลยเนี่ยตายจึงเมื่อก่อนนรืวันไม่มีอัลลอฮ์เห็นหมดเห็นหมดเลยใช่หไหมอ่ะทีนี้วามัยะติฮิมุมินันใครที่ผู้ใดที่มายังอัลลอฮ์หมายถึงตายเป็นผู้ศรัทธาเขาได้ทําการงานที่ดีๆเอาไว้เยอะแยะไปหมด ดังนั้นเหล่านี้สำหรับพวกเขาทั้งหลายคือฐานะอันสูงส่งในทั f s i r อธิบายนะอิบนาคาเซร์นะท afsir อิหม่าอิบนาคาเซรเนี่ยในอธิบายอย่างนี้อันอุบาดิบินซามิตอันนนบีสุลลัลลอฮิวะสัลลัมก็ละอัลจันนัตมิอดาราะจาสวนสวรรค์นั้นมีอยู่ร้อยชั้น อัลลอฮฺอักบารสวนสวรรค์มีอยู่ร้อยชั้นเอาแต่ละชั้นแต่ละชั้นห่างกันอย่างไหนมาใบนาคุลดารจัตไนนี้ก็มาใบนาสมาอีวลอารดิห่างกันอย่างกับชั้นฟ้ากับแผ่นดินแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยห่างกันอย่างกับชั้นฟ้าและแผ่นดินแต่ร้อยชั้นอัลลอฮฺอักบารเราจินตนาการไม่ออกหรอก แค่อ่านแล้วก็เชื่อก็แล้วกันี่ำโยิน้วนี่อัลลอฮเล่าให้ฟังนะเราเป็นไงครับวัลฟิรดาวอาลาัลลสวนสวรรค์ที่ดีที่สุดเรียกว่าฟิรดาวภาษาอังกฤษว่าเฟโดสฟิรดา ว, ดาวชื่อฟิรดาวเป็นสวนสวรรค์ที่อาลาัลละเรจะเป็นสวรรค์ที่สูงที่สุดนี่อัลลเล่าให้ฟังเลย ไม่เคยเห็นนะครับวามิหฮะตักรูลอนฮะลอะบะฮ์ใต้สวรรค์มีแม่น้ำสี่สายออกมาจากสวรรค์ฟิลดาอุสวะลัชชูฟาห์กฮะแล้วก็ส่วนบรรลังของอัลลอฮ์เนี่ยอยู่บนนั้นอยู่บนสวรรค์ชั้นที่เจ็ดะอยู่ข้างบนบรลลังอัลลอฮ์แสดงว่าอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ข้างบนอยู่บนบรลังของพระ อ, องค์ บาลังอยู่ที่ไหนฟิสซามะอยู่บนซานฟานี่เป็นอกีดะนะครับไฟดาซาอัลตุมุลลอนี่อันบีสั่งนะเมื่อท่านทั้งหลายขอขอให้อยู่ในสวนสวรรค์เนี่ยขอจากอัลลอฮฺเนี่นะฟาสอาลูฮุลฟิรดาสให้ขออยู่ในสวนสวรรค์เลยอย่าไปขอสวรรค์ชั้นต่ำๆละขอชั้นสูงๆไว้เลยอัลฮัมดุลิลละนี่ยงใช่ไหม นบีสอนนะครับแล้วก็ท่านอูบะดาบินซอมิดได้รายงานหะดิษบท น, นี้มาของอิมามติกมีดีนะครับทีนี้แม่น้ำสี่สายเนี่ยมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งมีน้ำสะอาดนะมีน้าสะอาดข้อที่สองมีลำน้ำเนี่ยมีแม่น้ำน้าพึง่งสามมีน้ำนมสี่มีน้ำเหล้า ไอ้เหล้าเนี่ยกินไม่มึนนะครับและบนดุนยานี่ลองไปกินดูสิมึนเมาไม่รู้สึกกัตัวแม้แต่ยาบุหรี่ก็เหมือนกันฮารอมทั้งหมดแต่มีมุสลิมเยอะแยะไปหมดที่ดันทุรีงหน่อยั้งก็จะสูบนะแล้วตีว่าเป็นมัครุตีความว่าเป็นมัครูทศสาวาบรรบาวหน่อยอธิบายให้ฟังคนที่ตีความมาเป็นมัครุอุลามะอุลามะรุ่นก่อนๆเนี่ย ที่ว่าที่ว่าเป็นมัคคุรูเนี่ยเขาเอากลิ่นของมันอย่างเดียวกินบุหรี่เนี่ยมันเหม็นแต่ว่าไอ้ลึกๆนี่ย น, นะเดี๋ยวนี้นักวิทยาศาสตร์อุลมะที่เป็นรู้ทั้งสองอย่างรู้าศาสตร์รู้อิสลามด้วยและรู้วิทยาศาสตร์ด้วยวิจัยออกมาแล้วว่ามันอันตรายต่อสุขภาพฉะนั้นอุลมะรุ่นก่อนเนี่ยพิสูจเฉพาะกลิ่นอย่างเดียวเลยตีความว่ามัครู แต่วันนี้อุลมามะเขาเข้าไปวิจัยอุลมามะมีการศึกษาเยอะไปหมดในโลกนี้เป็นนักวิจาร์ด้วยเป็นนักวิจัยด้วยรู้กุรอานรู้สุนนะด้วยเลยตีความว่าเป็นของขรอมอันทีนี้อีกอายาหนึ่งที่เราอ่านบุตรกีเนี่ยว่าไงนะว่าไมยะติฮิมุมินันผู้ใดที่มายังอัลลอ์ในสภาพที่เป็นผู้ศรัทธาหมายถึงตายกลับไปหาอัลลอฮ์ เป็นมุมินนะก็จะมีลซสอลรฮาตเขาได้ทำงานดีๆเอาไว้งานดีๆนั้นมีอะไรอัลฮัมดุลิลละตัสซิดอธิบายไว้ดีหมดเลยนะพวกเราเพียงแต่าอ่านอย่างเดียวนะนะอย่างน้อยมีสักสิบข้อดอ้วยกันนี่อามันที่ซอและสิบข้อนะนะครับข้อที่หนึ่งใครที่เลี้ยงดูเด็กกําพระ อ่าในเรื่องที่หนึ่งอามัณฑีซอและที่อัลลอฮ์พูดนะนะเป็นมุหมินด้วยแล้วก็มีอามัณฑีซอและทําอามันฑีซอและ อ, มอลามัณซอและก็อธิบายไว้สิบข้อเดียกันนะครับใครที่เลี้ยงดูเด็กกำพร้าอย่าลืมนะเด็กกำพร้านี่นะต้องดูแลอย่างดีนะตีก็ไม่ได้อัลลอฮ์เตือนไม่ใช่ตีเตือนนะครับพูดกันดีๆ ให้กำลังใจกันอะไรกันต้องขอดูอาด้วยครูที่รับผิดชอบดูแลนี่นะพวกเธอนะ่ต้องขอดูอาไม่ใช่ตีอย่างเดียวไม่ใช่แพะแก่นี่เมาแต่ตีไม่ใช่เราต้องอบรมคุยดีๆมองเป็นน้องเป็นลูกนะครับมันก็ฟาลายาตีมันใครที่ดูแลเด็กกำพร้ารอฟกคอนนบีพิจันนะเขาจะอยู่คู่กับนบีในสวนสวรรค์นี่งอามันตุสซาล ข้อที่สองใครที่ท่องจำกุรานสิบอายะของสุรอะลกาฟีอัลลอฮ์สุรอะกาฟีนะสิบอายะตอนแรกๆนะท่องไปสิบอายะนะครับเขาจะถูกอะไรนะถูกคุ้มครองจากดัจจานจากชัยปอนถ้าถูกคุ้มครองจนดัจญานจะไปสวรรค์ไหมไปสวรรค์นแน่ๆข้อที่สใครที่รักษานามา สุ น, นัขหมูอกักกะดาสุ น, นัขหมูอักกะดาก่อนนมาสุบบอมีไหมมีนักเรียนไม่ค่ยน้มาเพราะว่าไม่รู้ตื่นไม่ทันหรือว่านั่งอยู่ในห้องน้านานหรือประาไม่ค่อยจะน้ำมาจ้ะขาดทุนท่านพี่เลี้ยงต้องต้องดูต้องเตือนกลางคืนก่อนนอนเนี่ยอ้าวเนี่ยดูอาท่านอบีุรสอนอย่างนี้นะตื่นเช้าตื่นก่อนนะแล้วก็สักครึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีอาบน้าน้ำมาเสร็จแล้ว นมาศให้เกียรติมัสยิดกับนมาศซุน่าสองรากาอัดกอบลาซอเลติซุบะให้นมาศซูน่าอีกสองรากาอัดก่อนนมาศสุโบพราะนบีทำไม่ขาดทั้นใครที่นมาศซูน่ากอบลียะก่อนนมาศสุโบสองก่อนนมาศบายสองหรือสหลังนมาศซุฟรีอีกสองหลังนมาศมกริบอีกสองรากาอัดหลังนมาศอิชาอีกสองวันหนึ่ง12หรือ10รากาอัด Allah จะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้เขาไนสวนสวนรรค์นี่เป็นอาหมันที่สอนแหละทำเลยนะครับรักษาได้ทำให้ดีนะต่อมาใครที่เดินมามัสยิด Allah อาคุบัตคนที่เดินมามัสยิดนะบางคนตีความเราฉันนั่งรถมาน่ะมีความนั่งรถมาก็ได้นั่งจักรยานมาก็ได้มั่งตัวไซก็ได้ใช่ไหมมามัสยิดช่วงเช้ากับช่วงเย็น Allah ก็จะ เตรียมสวรรค์ไวสำหรับเขาอัลฮัมดุลิลลนี่เป็นอามันทิซอเลยนะครับข้อที่สีใครที่ท่องจำอัสมาอุลฮุสนาพระนามของอัลลอฮ์นะอัลกุดดุสอัลกอฟูรอัลกอฟารอัลราะห์มานอัราะฮอัลมลิกุลกุดดุสอะไรพวกนี้ท่องได้จำประมาณ 99% พระนามดะกอลัลจันะตายแล้วอัลลอ์ ให้ข้าสวัสดิ์เลยแต่ต้องรู้ความหมายด้วยนะไม่ใช่ท่องอย่างเดียวท่องแล้วต้องรู้อกวโอโออะราห์มานอธิบายยังไงนะครับอัลลอฮ์ทรงให้น้ำฝนมาอธิบายยังไงต้องต้องเข้าใจด้วยนะข้อที่5ใครที่อ่านอายะคุรซีหลังจากนมาตฟัดูทุกวันอัลลอฮุลาอิลาอิลลาห์วะัยอัลกุยูม لا تأخذه س ن ة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي ي ش ف ع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء و س َ ع ك ُ ر س ي ه ُ ا ل س م ا و ا ت ِ و ا ل أ ر ض เวลาจะอุดหู حفظ หู <يم> มาวะหัวละลีละรีนมาดวันทั้ห5เวลาพออ่านสุภาณลอจบแล้วก็ตามด้วยอายะอูดีทุกวันรู้ไม่ได้อะไรตายแล้วไม่มีไม่มีอะไรมาขั้นการที่จะไปสวรรค์นอกจากความตายนี่พอตายปั๊บได้ไปสวรรค์เลยวันนี้เนี่ยมันเข้าไม่ได้เพราะความตายมันยังไม่มา ฉะนั้นอ่านคุรานนี่นะอายะคุรซีนี่แหละอ่านสม่ำยิ่งก่อนนอนนะยกมือขึ้นเป่าเสร็จแล้วก็อ่ญญานอายะคุรซีอามนรารอรอสูดอ่านให้จบแล้วอ่านอุสุบฮานอัลลอฮ์ละฮัมดุลิลลาอีสักที่สาครั้งอัลลอฮ์จะคุ้มครองเนี่ยไม่ให้ไซต์ตนมาอะไรนะเข้ามาใกล้เราบ้านเราทั้งหลังแล้วก็บ้านที่อยู่ริมริมเราอีสามสี่หลังอัลลอฮ์คุ้มครองหมดเลย อายาปูสีสำคัญมากนะครับโบรานเอาต่อมาที่หกใครที่ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยทาอย่างงี้บวชตื่นเช้าขึ้นมามีใครบวชไหมอย่าสมัยนบีมีคนบวชเยอะนบีถามว่าใครบวชบ้างท่า<ม>นอบูบักยกมือผมครับ<ส>เอาใครไปเยี่ยมคนป่วยบ้างอาผมครับ<ส>เอาใครให้อาหารกับคนยากคนจนบ้าง<ส>ผมครับ ใครไปน้ำมาจนาจ่าบา้านตอนเช้าเนี่ยอันนเี้วผมครับธนาธนาบู บ, บักสี่งานงานอะไรบ้างหนึ่งงานถือบวชงานเยี่ยมคนป่วยงานนำมาจนาจะาและให้อาหารคนยากคนจนสี่รายการนี้ถ้าใครมีไม่มีอะไรมายับยั้งเขานอกจากสวนสวรรค์เท่านั้นเองอัลลอฮฺเนี่ยอามันที่ซอรแร ถามว่ลงทุนเปล่าไม่จะลงทุนไม่จะกระทบกระเทือนใครเลยเอาถือบวชเราก็เยี่ยมเยี่มคนป่วยดีไหมอัลลอฮฺว่าอย่างงี้เป็นต้นจะนั้นเยี่ยมคนป่วยนมาคนตายนมาคนตายบเรามันได้ตังค์ใช่ไหมอย่าเนียดได้ตังค์นะเหนียดอย่างเดียวตรงกลางอะไรนะอะไรนะหนึ่งหนึ่งอะไรนะหนึ่งภูเขาใช่ไหมเนี่ยอะไรนะเอ่อ ตีรอดอ่า ห, หนึ่งแกรัดเนี่ยคนที่มานมาจนาซาเนี่ยไ ด, ได้ได้หนึ่งแกรัดหนึ่งแกรัดผลบุญเท่ากับภูเขาอุเอายนีต้นฉะนั้นใครที่มีสี่อะไรสี่งานนี้นบีสัญญาว่าก็ไปสวรรค์ต่อมาครับอีกข้อหนึ่งใครที่หลังจากอาบน้นํานมาศเสร็จแล้วนะครับอาบน้ำนํำนมาศแบบทั่วถึงนะเมื่ออาบน้ำนำมาศเสร็จแล้ว أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ل وأشهد أن م ح م ه ورسوله الله ركبت فتح له أبواب الجنة السمانية ประตูสวรรค์8ดบานถูกเปิดต้อนรับคนที่อาบน้าน้มาแล้วก็อ่านดูอาหลังน้มาถามว่าต้องยกมือไหมไม่ต้องยกมืออ่านอย่างเดียวนะเป็นซิกเก เห็นอย่างคอาคันอามนำนมาดเ น, นี่ยนะ ก, ก า, อลลาอัล้ววดอัลลาะอิลลัลลอฮดวกลรกัละอัาดอั น, นมุฮัมมัดนอดัดฮวะรอซูลุอัลลอฮเปิดประตูสวรรค์ตอนรับคนประเภทนี้ข้อสุดท้ายสิบข้อนะนี่เป็นอามัมตืซอนแรกทั้งหมดนะใครที่ออกจากบ้านของเขาไปแสวงหาวิชาความรู้อย่างพี่น้องที่มานั่งอยู่เนี่ยฟังตัฟซีดเนี่ย Allah อัลลอฮฺเบอตออกจากบ้านต้องออกไม่ต้องออก แลนั่งออกจากบ้านมาก่อเหนื่อยอยู่แล้วขับรถมาก่เหนื่อยเดินมาก่อเหนื่อยพี่น้องแล้วก็มานั่งซิครุลล้อเนี่ก็ลังนั่งสิกเกตุถึงอลลอฮ์โดยการนั่งอ่านคุรานซาฮฺลลอฮฺลลา ห, ลหตอรีกอนอิลันจันนะคนที่มานั่งอ่านกุรานหาความรู้เพิ่มเติมทุกวันทุกวันทุกวันเขาตายพับง่ายสําหรับเขาที่จะไปสวรรค์ เอาคนไม่ฟังศาสนาเนี่ยกับคนที่มานามาดพอนะมาดปั๊บออกปุ๊บอีกคนก็นั่งฟังาศาสนาอยู่มันเสียเวลาป่าไม่ได้เสียเวลาแค่่วโมงเดียวสี่สุบห้านาทีอายุก็เยอะแล้วเนี่ยนี่ไงตรงนี้แหละทำให้ง่ายที่จะไปสวนสวรรค์ของอัลลอ์สุบฮ า, านาอูวะตาลาฟังศาสนาอาลาัลลอ์อักุบัลเยอะประโยชน์เยอะมากเลยนะครับ ก็นั่งฟังเพลงอันไหนมันดีก็กันดูละครกับนั่งอ่านคุรานรู้ความหมายต่างกันเยอะนี่สิบข้อเป็นอามัลจิซอเลยเราจะมีอันนี้เอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสวรรค์นะไอ้ที่ไม่ได้เกี่ย ว, ยวยยนี่แหละเยอะแยะไปหมดอากาศเนี่ยหะยีทั้งหมดเกี่ยวข้องกับสวรรค์ทั้งหมดนั่นแหละนี่เล่ากันง่ายๆกันว่ามีอยู่สิบข้อเป็นหะดีสุพีทั้งหมดเลยนะครับ อ่าทีนี้คุณอ่านตรงนี้อธิบายไงดีไงดีมากว่ามัยยะที่ฮิมุมินาผู้ใดที่มายังอัลลอฮ์ตายในสภาพที่เป็นผู้ศรัทธาก็จะมี ล, ลักษิะเขาได้ทำการที่ดีๆเอาไว้งานดีอธิบายไปแล้วประมาณ10ข้อเท่านั้นเองไม่ใช่มีแค่นี้นะยังมีอีกเยอะ ฟ้าอุลาอีกาลาหูมุดดารจัตุลาหดังนั้นเหล่านี้สำหรับพวกเขาทั้งหลายคือฐานะอันสูงสมก็คืออยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฺุ سبحانه แวะตาล่นนี่งานที่ดีทั้งหมดเ่านี้ยต้องทาเพื่ออัลลอฮฺนะอีมาแนนวาติซาบันทำแลว้วก็ให้อีมานเพิ่มแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮุบ ب า ا ن ه และุต่าลา ธ a รมะอาญาที่จะสิบหกจันนท์ตัวเดน t จเจริมินใต้ที่ hell anhar خالدين a ي ه ا و ذلك ج นี่อธิบายเรื่องลักษณะของสวนสวรรค์ จันนทร์ตัวอาเดนินท่าเจอรีม ah ินท ah. ์ทั่ห์ที่ฮัลแอนฮาร์ขลยดีนฟีเฮว่ารักกจะจอุแมนท่าแกกะจันนทตัอาดนินสวนสวนนะครับอันอยู่ไปตลอดอาเดนินแปลว่าอยู่ไปตลอดนะครับ ไม่มีวันหมดอายุดุนยานี่ยนะหมดอายุทุกสิ่งทุกอย่างบนดุนยาหมดอายุหมดแม้แต่น้ำดื่มของเราเนะี่ยมีวันหมดอายุเรียกว่า expire date <c oughs> หมดอายุหมดตัวเราก็หมดอายุแต่สวรรค์อยู่ในนั้นไม่มีวันหมดอายุสวรรค์เป็นยังไงครับเบื้องล่างของมัน ต, ตัฐที่หาใต้สวนสวรรค์นั้นมี อันหาดมีแม่น้ำไหลสายตัจรีแปลว่าไหลอธิบายแล้วนะครับหนึ่งมีแม่น้ำแม่น้ำที่เป็นน้ำสะอาดสองเหล้าสามน้ำพึ่งสีน้ำนมอัลลอฮฺอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ลลจัดไวน้นะเราไม่ได้ทำนะอัลละฮ์จัดให้หมดอลัลฮัมดุลิลลาห์ขอาลีดีนาฟีฮา เป็นผู้พำนักอยู่ในนั่นข้อลิอยู่ในนั่นตลอดไปเลยไม่ออกแล้วแล้วก็ไม่ตายด้วยอยู่ไปตลอดอยู่ในสวนสวรรค์ต้องทำงานไว้ไม่ต้องแล้วมีแต่รับรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺอย่างเดียวในสวนสวรรค์วาซาลกาซนั่นคือรางวัลยาซะแปลว่ารางวัล รางวัลที่เราทำอัมันติซอแล้ว บ, บ, บ, บนบนบนบนทุนยานี่อัอลอลอฮฺอัลลอฮฺให้อยู่ในสวนสวรรค์เป็นยเป็นรางวัลสาหรับใครครับมันตาซักกาสำหรับผู้ที่ขัดเกลาตนเองอลัลลอฮฺว่าว่าตาซักกาแปลว่าขัดเกลารตนเองในคุณอ่านมีหลายอายะเช่นในสุร่าที่เราอ่านกันในวันศุกร์นะ่ กอดอัฟละฮามันตาจักกะคนที่ขัดเกลารตนเองเขาได้รับความสำเร็จเห็นไหมกอดอัฟละฮามันตาจักกะแล้วก็วาจากรสมาล บ, บีเขารำลึกถึงอัลลอฮฺฟาซอลลาแล้วเขานามาดฉะนั้นการนึกถึงอัลลอฮฺองเดียวเป็นการขัดเกลารหัวใจการนามาดเป็นการขัดเกลารหัวใจฉะนั้น การรู้จักอัลลอฮ์องเดียวนะครับคนนี้แหละเป็นคนที่ขัดเกาหัวใจของเขาให้สะอาดรู้เลยเมื่อก่อนเราไม่รู้เอ๊ะขัดเกาหัวใจทําไงนะพวกเราเนะื้รู้ว่าเวลาเหล็กมันถูกสนิมนะ่ะขัดสนิมออกจากเหล็กนะ่ะอะเลมทุกคนเลยรู้เลยทําไงนะไปเอากระดาษทรายมาใช่ไหมแล้วก็เอามาขัดมาขัดมาขัด แต่ขัดหัวขัดกลาหัวใจทําไงไม่นจะขัดแบบแบบสนิมนะให้นึกถึงความตายให้นึกถึงอัลลอฮ์ให้ดำลึกถึงอ AH, ัลลอฮ์ให้นมาสให้ออกห่างจากความชั่วนั่นคือการขัดกลาหัวใจให้สะอาดเป็นอะไรนะเป็นกระดาษทรายชนิดหนึ่งที่ขัดหัวใจให้สะอาดได้ด้วยฮามดุลิลลาฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์นี่ใครสอนนะนบีมุฮัมมัดสอนอัลลอฮ์สอนนะครับ วาจาลิกาจาซาอุมันตาซักกาคนที่อยู่ในสวนสวรรค์นั้นอัลลอฮ์บอกว่านี่เป็นรางวัลนะครับเป็นการตอบแทนสำหรับคนที่ขัดเกลาตนเองให้พ้นจากกิเลสแห่งความชั่วอัลลอฮห้ามดยลิลเล์ฉะนั้นเรารู้แล้ว วิธีขัดกลาหัวใจให้สะอาดทำไงรู้ยังรู้แล้วทาอะไรบ้างรู้จักอล l l อย่าทำชีริกโต๊ะตะเกียดน้ำไม่ต้องไปนะขับรถผ่านได้ยม่มีปัญหาไปยืนก็ได้แต่อย่าไปขอเนี่ยไม่ได้ไปหาโต๊ะระยองก็ไม่ได้ลูกวงลูกกอ ก, กอะไรไม่ได้ทั้งนั้นทิ้งให้หมดเรื่องชีริกเพราะมันไม่สามารถขัดกลาหัวใจให้สะอาดได้อล l l a h a l h a m d u a h อาทีนี้นะคุณอ่านอธิบายอีกขัดเกลหัวใจให้สะอาดทำไงหนึ่งนามาดหนึ่งนามาดอัลลัลฮินะฮุมฟิซซาลัติฮิมข้าวชิอูนพวกเขานามาแล้วอมตนนามาแล้วมีคุ่ชู้จะให้คุ่ชู้นะทำอย่างนี้รู้เปล่าถ้านามากับสายตาเนี่ยสำคัญหนึ่งยืนต้องชิดกันนะ ต้องให้เท้าของเรากับชาวเพื่อนคนที่อยู่ซ้ายมือขวามือให้มันชิดชิดกันข้อที่หนึ่งข้อที่สองตาเนี่ยต้องมองที่สูจูดเวลายือนน่ยถ้ามองข้างหน้าเนี่ยบางทีเขียนอบตอปากประยูนเราพระอ่านที่อบตปากประยูนอันนี้อะไรปากประยูนประยูนก็นึกสิโอ้จังหวัดนูน่นเน่ยอะไรนะพัทลุงนึกไปเลยเยอะแล้วใจก็ลอยใช่ไหมจากนั้นอย่ามอง อย่ามองไอ้เสื้อที่อยู่ข้างหน้าเรา เ, เรานี่ยพอนักเรียนบางคนเนี่ยใส่เสื้อออบปตปากประยูนให้เราก็นั่งมองอยู่ออบปากประยูนประยูนนึกปศา ส, สนูปัะถมพัทลุงนู่นไงนึกไกลเลยล่ะอ่ะทีนี้นามาใจคูชัวทําไงตามองที่สูดหยุดเวลายืนเวล า, ยยวลารูกัว่าตามองที่กลายเท้าเวลานั่งอัตชัยยาตามองที่นิ้วชี้ ถ้าตาอยู่ในสามจุดนี้อินชาอัลลอฮ์ใจจะไม่วอกแวกที่มันใจวอกแวกเพราะเรามองชะเง้เลยบงที่อิหมามใครอัลลอฮ์อักรบัดอ่านสื่งสือเสียงดีทั้งๆ ท, ที่อยู่ซ้อมหลังอจจะเง้อมองอิหมามอย่างนี้ใจลอยก็ใจไม่ลอยลอยจะให้ใจลอยมีสามอย่างนะหนึ่งตามองที่สุญูดในท่ายืนเวลาดู ก, กว่ว ตามองที่ปลายเท้าแรานั่งอัตหยาตามองที่นิ้วชี้ชละแล้วก็ส่วนรู้ความหมายอีกอย่างหนึ่งก็นด้มีส่วนด้วยอิหม่ามอ่านรู้ความหมายหมดเลยถึงไ่ได้ไม่ได้สักร้อยกับสัาเปอร์เซงดีนะครับข้อที่สองขัดกรหัวใจทำไง วัน ล, ละีนาหูมานิลากุวมวารีดูนบรรดาที่พวกเขาเป็นผู้หลีกห่างจากเรื่องไร้สาระอย่าไปนสนใจเรืงไรสาระเขาทะเลาะ ก, กันเฮ้ยมึงพูดดังๆน้วยสินั่นพวกพวกพว ก, พว ก, พ, วกพวกใจไม่สงบพวกเรื่องไรสาระทั้งหมดเขานินทากันเออเอเอมึงพูดดังๆด้วยสิแล้วมึงเหยียบไว้นะนั่นเรื่องไรสาระทั้งหมดนั่นแหละ เรื่องทะเลาะกันด่ากันอิจฉาดิษยากันไม่เอาพี่น้องลีกหาจะเรื่องไราสาระข้อที่สวันละซีนาฮุมลิซกาติฟาไอลูนเขาปฏิบัติความดีเพื่อขัดกล้าวใจเช่นใจและกงากากรพวกนี้นะความดีทำไม่หมดที่อธิบายมาสิบข้อเมื่อกี้ท่านทำไม่หมดนะวันละซีนาฮุมลิฟูรูจิมฮาฟิซูนบรดา ผู้ที่รักษาอวัยวะเพศของเขาเนีนะ่เรื่องจินานะอัลลอัวใจทำให้ใจเสียหายหมดเลยฉะนั้นนี่วิธีชำระหัวใจให้สะอาดในอัลกรุรอานอธิบายไว้มีอยู่หลายข้อดอ้วยกันส่วนฮะดีษมีเยอะนะครับอ้าวต่อมาอายาที่เจ็สบเจ็ด و ل َ قد أوحينا إلى موسى أن أسر ب ل ع ب ا د ي فاضرب لهم طريق في البحر ي َ ب س ا ل َ ا ت خ َ ف لركو َ ل ا ت خ ش ا و َ ل ل َّ ك َ أ َ و ْ ح َ ي ْ ن َ ا إِلَى مُوسَى أَنْ أَصْرِي بِعِبَادِي ف َ ض ْ ر ِ ب ْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ ي َ ب َ س َ أ لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى الْحَمْدُ ل ِ ل َ ه นี่เป็นวะฮีอาญานี่เป็นวะฮีให้กับนบีมูซานบีมูซาเนี่ยหลังจากประลองระหว่างใครนะฟาโรกับพวกมายากลพวกมายากลประมาณแ0ด0มืนคนนะไม่ใช่ธรรมดานะแปดมืนมาจากทั่วประเทศอียิปต์เสร็จแล้วมาประลองการแพ้แพ้ใครนะ แค่นบีโมซาอะลาอิสลามเพราะไอ้ไม้ถือกับเชือกที่เขาโยนไปนั่นนั่นเป็นการแสดงส่วนของนบีมูซ า, านั้นไม้ถือเป็นมวดจีสาดต่างกันมวดจีสาชนะภรรยาฟาโรก็เหมือนกันพี่น้องชื่อนางอาซีญาเนี่ยฟังข่าวอ่ะใครแพ้ชนะพอ ร, รู้ว่าโมซ่าชนะตอนนั้นแหละสุญูต พอเงยขึ้นมาอามันนาบิโอบบีฮารูนาวมูซาฉันอีมานต่อประผู้อภิบาลของฮารูนและมูซาแล้วภรรยาฟาโร่ส่วนสามีนั่นโอ้โหโ อ, โอหังตะกำ บ, บุดเยอะยิย่งพอ ร, รู้ค่าว่าภรรยาตัวเองน่ะอีมานต่ออัลลอฮ์ตามนาบีมูซาที่นําอิสลามมาสอนนี่ยเลิกนะ เปลี่ยนน ก, กิดาใหม่นะอย่าเชื่อว่าอัลลอยิ่งใหญ่ไม่ได้นะเชื่อมูซาไม่ได้เชื่อฮารูนไม่ได้รู้เปล่าเอาหินเนี่ยนะมาทุ่มให้เมียตัวเองตายแต่อัลลอฮ์เมตานะครับหลังจากนานแงนดูชันไปรบบีรับบีรับบีบนิลีไอนดะกะบายตัมฟิลจันนะ นางขออุทิศยาอยัาอลลอฮฺอัลลอฮฺจะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้ฉันในสวนสวรรค์อยู่คู่กับท่านอลัลลอฮฺรับเลยครับภรยรยาฟาโร่ขอดุอาต่ออลัลลอฮฺให้สร้างบ้านหลังหนึ่งในสวนสวรรค์ให้ฉันหน่อยเพราขออุทิ อ, อลัลลอฮฺรับเลยอลัลลเอาวิญญาณของนางนี่ออกจากร่างก่อนที่ฟาโร่จะเอาหินทุ่มนางอลัลลอฮฺเมตตา ฉะนั Quand, je je Korea, e ้นคนที ah, ่จะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์น่ะต้องคนอีมานอีมานต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวนะครับแล้วก็เชื่อนบีมูซาในสมัยนี้ก็อีมานต่ออัลลอฮ์เชื่อนบีมุ h a มัด d สุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมทีนี้วะแล้วก็เอาให้นาอิละมูซาและโดยแน่นอนยิ่งเราได้วะฮีแก่มูซาวะฮีอย่าลืมนะของที่เป็นวะฮีทั้งหมดนะ คิดดูให้ดีว่าฮีน่ะมาจากอนะัลลอฮ์นะอัลลอ์บัลลังของอัลลอฮ์อยู่บนสวรรค์ชั้นฟิดดาฟเลยไปอีกอยู่ข้างบนระจับตรงนู้นลงมาข้างล่างเนี่ยใช้เวลาเดินทางถ้าใช้คนขาขึ้นห้าร้อยขาลงอีกห้าร้อยเท่าไรหนึ 1, ่งพันปีนี่มาไกลที่สุดเราในอิมพอร์ตของฝรั่งอเมริกาจากนี่เองนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงเนี่ย อินปอร์เข้ามานะเต็นท์รัมมาจากอเมริกาเชื่อก็น่าดูเลยกินเหล้าจากอเมริกากว่าเชื่อหมดอเมริกาทําอะไรตามหมดเลยที่มาจากข้างบนมาจากอัลลอฮ์นี่คไม่มีใครกรสนใจนะฉะนั้นราคาแพงมากครับอะไรที่มาจากอัลลอฮ์ผ่านวะฮีสะอาดบริสุทธิ์อัลลอฮ์ไม่มีอะไรสะอาดเท่ากับวะฮีของอัลลอฮ์แล้ว Allah วา่าให้ใครครับอิลามูซาดนใจให้นบีมูซาทำไงครับอันอัสรีให้อย่างไรนะให้มูซาเนี่ยเดินทางออกในเวลากลางคืนอัสรีแปลว่าเดินทางในเวลากลางคืนเหมือนกันกบอายาอื่น s u b h a n a l l อ, อั h i asro bi abdi นี่ไง asro แปลว่า Allah ให้นบีเดินทางจากมักกะ ไปเมืองอัลอักซอมาเสียอัลอาอซ์หล่ะจากอัลอาอซ์ aw, ขึ้นข้างบนนั่นคืเราเรียกเมียรอดจากมัการ์ไปอัลอักซอเขาเรียกว่าอิสรอส่วนเมียรอดขึ้นข้างบนทีนี้อัลลอฮ์สั่งให้นบีมูซาพาพวกบันิอิสรา อ, อีนนะครับออกจากประเทศอียิปต์ในเวลากลางคืนอัลลอฮ์สั่งใครนะสั่งนบีมูซา ว่าให้ผ่านนบีมูซานะครับให้ยิบรินมาบอกกับ น, นบีมูซามาดนใจว่า ม, มูซาเดินทางออกเลยนะและใครล่ะคนที่เชื่อท่านทั้งหมดน่ะรู้เปล่าทหารคนที่เชื่อนบีมูซาวันนั้นพวกบันิอิสราเีล น, นั้นเจ0 0แสไม่ใช่6กแสนเจ็ดหกแสนเจตซีภาษาอุรุษผมนั่งอ่าน นะครับเชลากเชลากอาดมีห0 0 0นคนหกแสนเจด0 0 0 0คนคนที่เป็นพวกบณีอิสราออลที่เชื่อนบีมูซานะประมาณหกแสนเจคนเจด0คนส่วนทหารฟาโร่แล้วก็มีม้าสีดำดำพวกทหารฟาโร่นะครับมีประมาณเจ็ดแสนคนมากกว่าของ บัณฑิตอิสราเอลอีกนะแล้วมีทหารทหารม้าอีกมีม้าสีดําสารวาม่านี่โอ้โหเลี้ยงมาอย่างดีเลยอีกเจ็ดหมืนตัวทีนี้พออัลลอฮ์สั่งให้นบีมูซาว่าอพยพเดินเดินเดินเท้ออกจากประเทศอียิปป์เพราะสั่งให้ฟาโร่อนุญาตออกมันไม่ออกอ่ะกูไม่ออกมันแค่ทาไมก็เลยอัลลอฮ์สั่งให้มูซาอพยพบในเวลากลางคืน บิยบบ้าดีพร้อมกับเบาทั้งหลายของฉันเห็นไหมวงวานของบนออันิอิสรีอินสมัยก่อนนั่นเป็นคนดีอัลลอ์รักแต่วันนี้บนันิอิสรีอินทรยศต่ออัลลอ์เสียเองเห็นหรือยังละเข็นฆ่าใครเข็นฆ่านาบีของอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาลาและคนที่เชื่อนบีมุฮัมมัดวันนี้ถูกรังแกโดยพวกบนันอิสรอินเกือบทั้งหมดใช่หรือไม่ใช่ใช่บิ สมัยก่อนนั้นดีไหมอลัลลอฮ์เรียกเลยอิบาดีบ่าวของฉันมูฮัมหมัดมูซาเ อ, อ๋อจงเดินทางออกไปกับบ่าวของฉันนะเดินทางออกจากประเทศอียิปพอเดินออกไปแล้วไปเจอทะเลทําไงละ่ะมูซาก็กลัวอัลลอฮ์สั่งเลยฟา บ, บริบลาหุมกุณอานายาต่อไปฟา บ, บริบลาหุมนะครับจง จงอะไรนะจงใช้ไม้เท้าเนี่ยฟับดริปแปลว่าฟาดลงไปหรือตีลงไปดอร บ, บ่าแปลว่าตีหรือฟาดอัลลอฮฺสั่งมูซา ว, ว่าไม้ถือของคุณนะฟับดริบแล้วหุมจงใช้ไม้เท้าของคุณนั่นตีที่ไหนน้มทะเลพอตีพับแล้วอรีกอนน้าทะเลก็จะแห้งกลายเป็น ถนนฟิลบหรีในทะเลยาบาซาแห้งเลยทะเลก็จะแห้งนะเป็นทะเลแห้งสามารถเดินได้เลย<ม>นบีมูซากลัวนะตอนเดินออกมาจากประเทศอียิปต์ล้วมาเจอทะเลน่แล้วก็ฟารโรมาแล้วอยู่ข้างหลังเอง่งทหารเท่าไหร่ทหารเจ็ดแสน 7, คนมาอีกเจ็ดมืนตัวอู้ยท่านหนีไปไหนรอดเนี่ยเอาเรบอกว่าลาตะขอ ไม่ต้องกลัวนะครับลาตาคอฟมูซาเอ๋ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องวาดวานันว่าจะถูกอะไรนะจะถูกตามทันดารากาแปลว่าตามทันลาตาคอฟดารากาอย่า ก, กลัวว่าอย่าวาดวานันว่าจะถูกฟิร์งองหรือพวกนั้นดารากาแปลว่าตามมาทันอเห็นอย่างอลกุรอานอธิบายชัดเลยมูซาไม่ต้องกลัว ลาตะคอบไม่ต้องกลัว don afraid ดารอกันตามคุณทันไม่ทันเวลาตะชาและอย่ากลัวเลยพูดสองครั้งเห็นไหมลาตะคอบเวลาตะชาอย่ากลัวอย่าหวั่นนะครับอย่ากลัวอย่าหวั่นว่าคุณจะตามมาตามมาทันพวกคุณไม่ทันคุณแน่แน่เห็นอย่างครับนี่กูราโอ้ถามวันเบียงมูซาเมื่อเมื่อถูกวะฮีมาสบายใจไหมอัลลอฮฺอัลลอบาใจ อัลฮัมดุลิลลาห์เห็นอย่างกับคนที่อยู่กับอัลลอฮ์อัลลอ์คุ้มครองหมดเลยเห็นไหมคนที่เชื่ออัลลอฮ์ผ่านนาบีอัลลอ์คุ้มครองหมดเลยนะครับอธิบายแล้วใช่ไหมบนนีอิสราอินมีประมาณเท่าไหร่นะ6 7 0ส0เจ็ดคนนะครับส่วนทหารฟาโร่เจ0 0 0 0 0คนตายเรียบหมดเลยเจ0 0 0 0นคนนะตายในทะเลแดงนะ แล้วก็ทหารมาอีกอ่ะมาอีกเจ็ดหมืนตัวมาดำดำใหญ่ๆอ้นๆวนๆโอ้โหตายเรียบหมดเลยนี่อัลลอฮ์เล่นงานเนี่ยคนที่ไม่เอาศาสนาอ่านอายา น, นี่ต้องนึกเ อ, อ้ยอัลลอฮ์ถ้าถ้าฉันไม่เอาศาสนาวันนี้ไม่ตามนาบีมอมัดวันนี้ฉันเหลืออะไร อ, อัฟารโรเนี่ยดูสิอัลลอ์ให้ตายในสภาพนี้บ้านก็วังก็มีแต่อัลลอ์ให้ตายคือเป็นนี้ นบีมูซาน่ยขอหนุนอาตอ Allah ไว้เยอะบอกมูซ่า Allah จัดการฟาโร่หน่ยสิมูซาอยาจะให้ฟาโร่ตายในวัง Allah อยากอยาากอให้ยิบรีบอกอยากอยอยายาให้มันตายในวังเลยทําไมพราะหน้าวังมันเขียนชื่อฉันไว้เขียนว่าไงนะบิสมิกัลลอฮหุมมด้วยพนามของ a l ล a h หน้าบ้านนันน่ะพระหน้าพระราชวังมันเขียนชื่อฉัน ฉันก็แทสเปกไม name ฉันก็ให้เกียรติกว่าชื่อของฉันมนะถ้าใช้ตายที่ไหนล่ะเดี๋ยวจะใช้ตายในกลางทะเลจริงนะจริงครับตายจริงๆมันจะตายคนเดียวนะทหารเท่าไรเจ็แสนแล้วก็ไม้อีะเจ็ดมืนตัวนะ่ะเรียบหมดเลยเห็นไหมนี่พี่น้องคิดให้ดีนะเพราะนั้นนะมูฟาโร่นะรวยก็รวยทหารก็มีพวกก็เยอะตาแหน่งก็สูง แล้วก็ตายในสะพานนึกว่าตายแล้วจบไหมไม่จบตายถูกเล่นงานจากอัลลอฮ์อยู่วันนี้ในคุอ่านอธิบายถูกเล่นงานถูกลงโทษตอนเช้าหนึ่งครั้งตอนตะวันขึ้นถูกเล่นทีตอนตะวันตกถูกเล่นงานอีกทีหนวันสองครั้งถูกเล่นงานเล่นงานแบบไหนเราไม่รู้แต่ทรมานจากอัลลอฮ์สุฮานอุบาะแล้าแค่นั้นความสุขที่เขาได้รับบนดุลยานอัลลอฮ์แค่กี่ปีกันมั้ สามสิบปีสี่สิบปีจะหมดงวสักกี่ตัวถ้าจะกินงวขกงอัลลอฮ์น่ะเอาเอาไปข้าวกี่ก็สอบจะช้ผู้หญิงทำดีนากี่คนเอาไปใช้พระราชวังกี่ห้องเชิญอากาศออกซิเจนเชิญอัลลอ์ Allah, มันจะหมดสักเท่าไรของอัลลอ์ครั้งของอนะัลลอ์นั้นมีเยอะใช้เท่าไรไม่ยุบแต่พอตายอะไรเป็นไงตายแล้ว ไม่จบถูกลงโทษจากอัลลอ์ Allah ตลอดเวลานะครับเอาต่อมาครับอายาที่เจะอสิบเจุมฟิบแปด فأتبعهم ف ر ع ม ن بجنوده فغشياهم من اليمن مما غشياهم ุมฟิร ه م فرعون ب ู ن و د ه ฟ้าราชียมในอันยมมะราชียมอัลลอฮฺอัลลอฮฺเล่าละเอียดนาะพี่น้องฟาอัตบะอุมแปลว่าอะไรฟิร็ อ, รอู์พร้อมด้วยจูนูดีฮพร้อมด้วยทหารของเขาไพ่พลของเขาทำไงครับอัตบะอุมตามพวกมูซาแล้วก็ พวกบันิอิสรลอีนดังนั้นฟิเราพร้อมด้วยไพ่พลของเขาได้ติดตามพวกเขามาถึงพวกนบีมูซาและพวกบันิอิสรลอีนฟะรอชิยาหุมและน้ำทะเลนะครับรอชิยานแปลว่าท่วมเขาจมเขา น้ำทะเลที่หวนกลับมาเนี่ยได้ท่วมพวกเขามีนัลยา ม, มิจากทะเลอัลยั ม, มุแปลว่าทะเลโรชิยะแปลว่าจมหรือท่วมโรชิยะจมหรือท่วมยา ม, มิจากทะเลตัฟซิดอธิบายว่าทะเลแดงบาฮูอหฮมารเรดซีเรดซีอยู่ที่ไหนเรดซีใคยไปวะอิสราเอลนะ ห่อมนลหไหมยังอยู่นะนัใครไปเที่ยวเดซต้งนึกอ๋อนี่เดซีทกรพิเศษอานมีด้วยเนี่ยฝาก่ชยรฮุมอัลลอ์ได้อยทะเลเนี่ยโจมพวกเขาเหล่านั้นมากชียรฮุมนะครับพวกเขาอย่างมิดชิดไม่มีใครรอดสักคนหนึ่งทางม้าและทหารไม่มีไม่มีใครรอดสักคนตายเรียบหมดเลยอ่านเล่ารชียไปไ็นอะไรนะ กอชุย่มีสองความหมายกอชุย่เช่นพี่น้องนั่งอยู่ในมัสยิดเนี่ยมาลายิกาเนี่นะเอาเปกฮาฟัตเอาเปกมาคุมแล้วก็กอชุย่ารามาอัลราะมะของอัลลอฮ์เนี่ยมาอะไรมาคุมมิดไม่ให้ไม่ให้ชายตอนเข้ามาแทรกได้เลยกอชุยะเหมือนกันคุมหมดเลยถ้าน้ํำล่ะจะเหลืออะไร <c oughs> นี่มันราะมะท่านรหะมะนั่งกันสบายอลัลลอฮ์ใจเบิกบานใจ สงบหัวใจที่อีมานต่ออัลลอฮ์ให้มละอิก้ามาได้นะมาคุมปรีกแล้วก็อะไรนะเอาระหมาของอัลลอฮ์มาประทานให้เหนือศีรษะของเราเรามองไม่เห็นนะแต่ถ้าเอาน้ำมาคุมตายได้ไหมตาตายแต่ให้ละหามาคุมยิ้มออกกอชิยาเหมือนกันใช้คำว่าวอชิยาเหมือนกันอนะัลลอฮฺขับขมขมเมืองครับ ชายทะเลขมือบถูกต้องนลยคุณชิปิเฉลิมรู้พปลาทะเลทุกวันนี้นะขอร้องอลัลลอฮ์นะอลัลลอฮ์จะให้ฉันขมือบไหมขมือบใครไอ ค, คนที่นอนแก้ผ้า อ, อยู่จีมทะเลทั้งหมดของอัลลอฮ์น่ะนะขมือบหรือไม่ขมือบทะเลถามอาลัลลอฮ์ทุกวันฮะดิษมีครับฟ้ากำลังานอัลลอฮ์ถลม่มไม่ถลม่มจะให้อะไรนะไอฟ้าพ่าไหม อเลาะอยอยา่ยาอยา่ยาปล่อยไว้ก่อนให้มันต่าบ้าให้มันต่าบ้าให้มันต่าบ้าแผ <St ull ied> ่นดินก็เหมือนกันอเลาะขยับไม้ให้มันแทรกตกลงไปในไปดินทั้งหมดอเลาะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรอก่อนรอก่อนทุกวนันสัระสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานั้นขอร้องอเลาะให้ทําลายคนไม่เอาศาสนาอเลาะคนที่นอนอยู่ริมทะเลทั้งหมดที่แ WOW. ก้ผ้าทําซีน่ากันเนี่ยที่นายกพูด ถูกถูกอะไรนาถูกน่นถูกนี่เพราะใส่บิกินี่หรือเปล่าโอ้ฝรั่งีิเครื่องน่าดูเลยเหมือนนายกจะบอกว่าพวกเราคุม่อยาไปหมดนะจะได้ไม่ถูกคคมขืนอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ดีหมดแค่นั้นนะ ดังนั้นฟิรอาห์พร้อมด้วยไพ่พลของเขาได้ติดตามพวกนบีมูซาและบรรดอิสราเอลฟาโอชยาหุมมินลยัมมและน้าทะเลที่หวนกลับมานั้นได้ท่วมพวกเขาอย่างมิดชิดมากาชิยาหุมไม่มีใครรอดสักคนหนึ่งตายเรียบหมดเลยท้งไรทหารฟ า, รฟาโรเจ็ดแสนคนทหารม้าอีกเจ็ดมืนตัวตายหมดเลย โอ้น้ำไม่เน่าแล้วนะโอ้นาอูซิบิลลาหิมินดาเลกอ้าวนี่เป็นประวัติศาสตร์ฉะนั้นเราท่องอ่านคุรานนึกถึงฟาโรห์แล้วก็ความอาหารกาของฟาโรห์อายาทที่79ว่าอัลลอฟิรอาหนุกาวมาหูวะมาฮัดาวละอัลลอฟิรอาหนุกาวมาหูวะมาฮัดา 7 8ผ่านวลที่ดสาววอบลฟิอาโนและฟิรอาห น, น, นั้นได้นำประชาชนของเขาหลงผิดให้หลงผิดใช่ไหมอวบ ล, ล่าเนี่ยฟิอานฟิลอานได้นำเกามาหูประชาชนของเขาพวกกิฟตี้ อ, อ๋อมันก็อวบล่าแปลว่านำทางผิดให้ นำทางให้หลงผิดเอารอเห็นยังครับเลารอเล่าคิดผิดเชื่อผิดคิดผิดทําผิดเชื่อผิดคิดผิดทําผิดฟาโร่เชื่ออะไเชื่อว่าตัวเองเป็นพระเจ้านี่เชื่อผิดใช่ไหมแล้วก็คิดผิดแล้วก็ทําผิดว่าเอาด้นลฟิราวนูและฟาโรนั่นได้นําประชาชนของเขาให้หลงผิด พอหลงผิดแล้วจึงพากันจมน้าตายยังไม่พอว่ามาฮาดาและไม่ได้นำทางพวกเขาให้ถูกต้องเห็นเป็นผู้นำนำ้ำพิษมาฮาดาแปลว่าอะไรนะไม่ได้นำทางพวกเขาให้ถูกต้องหลงผิดอรรถอธิบายเอดตลนลาะนำประชาชนของเขาให้หลงผิด ว่ามาฮาดาและเขามันเด้นําทางไปาทางที่ถูกต้องไปกันอธิบายซึ่งกันและกันเห็นไหมถ้าเชื่อนบีมูซาก็ถูกอยู่ในทางนาํำพอเชื่อฟาโรห์ทางที่ผิดหลงทาง ท, างทันทีแล้วหลงทางและจมน้ำตาและจบไหมไม่จบถูกลงโทษทุวันจนกว่าจะถึงโลกอาคีรอและอยู่ในนรกต่อไปอีกนะไม่ใช่แค่นั้นอย่างเดียวอัลลอฮฺอัลลอฮอัลฮัมดุลิลแล อัลตอมา a y a ที่แปสิบนะครับยาบานิอิสรอิลกาดอันเจนักุมินอดูอิคุมว่าวาดนาคุมจานิบัูริลัยมันวานัซลนาอัลเลกุมุลมันวาสัลวา الحمد لله الله يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب طور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى بني إسرائيل วงวานของบาเนอิสรอีนเอ๋ยอัลลอฮ์เรียกยาบาเนอิสรอีนวงวานของอิสรอีนเอ๋ยก้าแต่ a จ j a i n a k u m i n a d u w i k u m เนโนนเราได้ช่วยสูเจ้าให้พ้นจากศัตรูของสูเจา้านึกเนื้อมัดตรงนี้นึกถึงเนื้อมัดที่อัลลอฮ์ได้ให้ได้ประทานให้ ผ่านนาบีมูซาบนีอิสราเอลเออเนื่อมอันนี้ยิ่งใหญ่นะอัลลอ์ได้ช่วยสูเจ้าให้พ้นจากศัตรูของสูเจา้าศัตรูฟาโร่เนี่ยมันเอาพวกบันีอิสราเอลเป็นทาสแล้วกดขี่ประชาชนกดขี่พวกบนันีอิสราเอลแล้วก็ฆ่าเด็กๆผู้ชายใช่ไหมวันนี้อัลลอฮ์ส่งนบีมูซามาช่วยคุณ ให้ปลอดภัยจากการลงโทษกับพวกฟาโรห์แล้ววันนี้เป็นไงครับพวกบันิอิสราเอลลืมเนี่ยอมามัดของ AH ของัลลอฮ์ข้อนี้ด้วยนี้แหละอัลลอฮ์เลยแต่งตั้งนบีมูฮัมหมัดมาอุมมาของนบีมูฮัมหมัดเป็นคนที่ไม่ลืมเนี่ยอมามัดของอัลลอฮ์ลูกหลานของบันิอิสราเอลลืมเนี่ยอมามัดของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องการจะให้นำเอาอิสลามที่ผ่านนาบีมูซาเนี่ยมาใช้ แต่คนแล้วนี่ลืมเนี่ยมัดของอัลลอ์แล้วทำลายโลกวันนี้ทำลายหมดเลยครับทำลายทุกคนนะครับสังเกตนะมันสั่งให้ชาวบ้านคุมกาเนิดแต่พวกบเนอิสรอีนไม่คุมกาเนิดมันให้คนของมันนี่นะครับมีศาสนานะนะครับแต่ศาสนาที่ผิดๆที่มันเพี้ยนเพียกันแล้วนะ่ะ อย่าลืมนะนี่นะมันไม่อนุญาตให้คนบริษอิสราออลแต่งงานกับใครนะจะพาะคนในกลุ่มมันอย่างเดียวเลยไม่ให้ใค ร, รใชมไอา้าวต่อมาวาอาดนากุมและเราได้ให้ในเอาคำมั่นสัญญากับนบีของสูเจ้า วาวาอาดนาคุมจาในบตูริลไอมันที่ด้านขวาของภูเขาตูรภูเขาตูรที่นบีมูซารับวะฮีเดภูเขาเดียวกันด้านขวาคือไปพบกันตรงนั้นนะครับว่าข้ามจากประเทศอียิปผ่านทะเลแดงไปพบกันตรงนั้นเป็นที่เดียวกับที่นบีมูซารับวะฮีอย่าลืมนะ าสำคัญมากเลยเนี่ยภูเขาตัวเป็นสถานที่ที่มุกดสที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับเ้วเป็นไงครับวานซัลนาลกูมุลมนวัซลวแลเราได้ประทานให้กับพวกท่านทั้งหลายสองรายการมาจากฟ้าฟ้าอะไรอัลมันนะอัลมันนะแปลว่าอะไรามันนะแล้วก็ อัศลวาแปลว่านกคุ้มให้เป็นอาหารแก่สุเจ้ามาจะชั้นฟ้าทั้งสองรายการนี้เลยตัวเรียกอะไรล่ะก็กินๆอร่อ ย, ยนะอันนี้อัลลอฮ์ให้มาชันฟ้ามาต้องเหนื่อยง่บินลงมาจากชั้นฟ้ามาให้เป็นอาหารจากสวนสวนสวนสวรรค์บางคนอธิบายว่าเพราะพู้บรีอิสอลามได้อาหารจากสวนสวรรค์นี้แหละทําให้ สมองดีสมองดีแทนที่จะคิดพัฒนาคนให้เข้าใกล้อัลลอฮ์กับดึงคนให้ออกจากอัลลอฮ์แล้วมาทําความชั่วสมองดีแบบนี้ดีไหม <c oughs> พี่น้องครับนี่ไงอิสลามสอนให้เราอย่าลืมเนียมัดของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ประทานให้กับเราเยอะแยะไปหมดรู้เปล่าเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้เราโดยเราไม่ได้ขอเยอะไหมอ้าวหูเคยขอปะตาเคยขอไหม ที่ขอนะอ่ะเมียใช่ไหมขอจะได้ภรรยาสวยๆสามีขอบ้านขอที่ดินขอรถขอไม่กี่รายการอรอกไอ้ของที่เราไม่ได้ขอที่อัลลอฮ์ให้เต็มไปหมดทํำไมไปนึกถึงกระเพาะอาหารแคบขอนานบ้าง น, นี่ก็เหมือนกันนะครับอัลลอฮ์เตือนให้พวกบันิอิสรออีนนึกถึงเนื้อมัดที่อัลลอฮ์ประทานให้กับพวกบันิอิสรออีนอัลลอฮ์บอกโดยเหตุนี้มีหะดิษนบี บ, บทหนึ่งนบีไปที่นครมาดินะ ไปเห็นพวกยาฮูดีเนะี่ยถือบวชกันในวันนั้นวันอาชูรอนบีถามวันนี่คุณบวชกันทำไมเนี่ยพวกยาฮูดีที่นครมาดินาบอกว่าเพราะเป็นวันที่เรานึกถึงเนี่ยมัดที่อัลลอ์ได้ให้พวกบันิอิสลออีนั่นหนีมาจากการทรมานของพวกฟาโรเราเลยถือบวชขอบคุณ ah. อัลลอจะเรียวคนดีๆยังมีอยู่นะแต่คนเลวเยอะกว่า ท่า น, นนบีมูซาว่านบีมุฮัมมัดบอกว่าเรานั้นมีความสนิทสนมใกล้ชิดกับพวกท่านฉนันกับนบีมูซานั้นมีความสนิทมากกว่าท่านฉนันก็จะถือบวชแต่จะถือบวชสองวันน่ะวันอาชุรอวันที่10บกับวันที่สิบเอ็ดไเ ห, เหมือนพวกยโฮดีวันที่9กับ10หรือ10กับ11ออย่างนี้เป็นต้น ใรายะเอียดเอาไต่อกันอาทิตย์หน้าอินชาอัลลอฮฺส่วนวันนี้สุบฮานะกะลอฮุมมัลลบิฮัมดีกะาะชัดวะเลออิลอิลลอันตะอัสตรุกะะตูบุลกสลามอลัยุมรหมตุลลอฮิวะบรากต